สองรอยห้าสิบสองพระเจ้าอยู่ที่ไหนตรีมูรติคืออะไรพิสูจน์ได้ไหมเนคขมะสีตาอุเบขาเวทนานี้เป็นกิจเจตสิกที่ผู้ศึกษาศาสนาพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง และอุเบขาเวทนาเจตสิกนี้ที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งของวิญญาณ น, นั้นผู้ปฏิบัติที่สำ ม, มา ท, ทิิสามารถบรรลุได้จริงพระเจ้าอยู่ที่ไหนตรีมูรติคืออะไรเราก็ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงพระเจ้านั้นนั้นว่าเป็นจิตเจตสิกเป็นนามรูปเป็นวิญญาณจริงๆ พุทธจึงพิสูจน์พระเจ้าว่าอยู่ที่ไหนพระเจ้าคืออะไรได้สำเร็จจริงที่เป็นคุณธรรมอันวิเศษสมลักษณะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ161ที่ว่าวิญญาณคือองค์ประชุมแห่งธรรมสามประการ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 ซึ่งเรียกเป็นบุคลาที่สถานว่าพระพรหมพระนารายพระศิวะและพระเจ้าทั้งสามนั้นก็คือปรมัธธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานที่มีคุณวิเศษสามประการที่เรียกว่าตรีมูรตินั้นได้อย่างเป็นจริงเพราะได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรมนั้นๆมาเองทั้งสิน้น นั่นก็คือจิตที่มีคุณลักษณะสะอาดปราศจากกิเลสพระบริสุทธิ์ที่คุณซึ่งเป็นคุณธรรมของพระพรหมจิตที่มีคุณลักษณะในการกําจัดอาธรรมพระกรุณาที่คุณซึ่งเป็นคุณธรรมของพระศิวะและจิตที่มีคุณลักษณะสร้างสารรค์พระปัญญาที่คุณ ซึ่งเป็นคุณธรรมของพระนารายบ้างเรียกว่าพระวิษณุพระรามหรือพระกฤษณะซึ่งแต่ละปางของแต่ละชื่อก็จะมีคุณวิเศษสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามขั้นตอนคุณธรรมอันวิเศษประเสริฐเหล่านี้เกิดจากกรรมที่ได้อบรมฝึกฝนมา ตลอดการปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ของพระโยคาวจรจึงเกิดจริงเป็นจริงในตนจะมิใช่การเรียนรู้มาเท่านั้นมิใช่การท่องจำมิใช่การคิดค้นเอามิใช่ฝันเพอ้อไปต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของนักสร้างวิมานทั้งหลายเลย แต่เป็นความเจริญอภิวัตพัฒนาของจิตวิญญาณที่ผ่านความจริงด้วยการสัมผัสและจัดการอภิสังขารมาด้วยตนอย่างมีปรากฏการในตนของตนที่แท้จริงที่พิสูจน์มาด้วยตนเองเป็นสรนทิติโกจึงมีปัจจดตางเวทิสัโพโภวินยูหิของจริง